วันนี้เป็นวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2555วันนี้หลวงพ่อฉันจะหันเสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียนยุงทองคือทางอำเภอเขาจัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดของอำเภอนายงขึ้นที่โรงเรียนยุงทองเขาก็อยากจะให้ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนแล้วก็พระสงฆ์เข้าไปร่วมกิจกรรมส่วนพระสงฆ์เขาคงอยากจะให้หลวงพ่อเคยไปพูดในที่ต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติดของพี่น้องประชาชนลูกหลานหลวงพ่อก็คงจะได้ไปปรารบไปพูดวันนี้แต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็เคยพูดกับ ทางอำเภอทั้งผู้กากับผู้ใหญ่ในอำเภอนาอยูงของเราหลวงพ่อบอกว่าคาว่าปราบปราบปรามสองคำแกไปว่าใครทำผิดก็ต้องจับเข้าคุกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่หลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเนี่ยเป็นหลวงปู่หลวงตาอยู่ในท้องถิ่นชุมชนของพวก สู่เจ้าทั้งหลายคําว่าปราบคำในหลวงพ่อเขาไม่อยากจะได้ยินหลวงพ่อจะจะได้ยินคําว่าปรามปรามแล้วก็ปราบไปให้ปรามซะก่อนอย่าค่อยปราบคําคว่าปรามคํานี้คืออะไรคืออย่างที่หลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่หลวงตาอยู่กับหลวงปู่ล่าอยู่กับหลวงตามหาบวัวโดยมากท่านจะปรามซะก่อนถ้าองค์ไหนก็ทําผิด ล่อแหลมอย่างนี้หรือว่าขี้เกียจมักง่ายอย่างเนี้หรือว่าทําตนไม่ดีเกเรอย่างเนี้ยหรือว่าทําตนเป็นนักเลงอรู้สึกว่าไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําพูดถากถางหมู่พกเพื่อนอย่างเนี้ยที่เป็นครูบาอาจารย์หลวงตาอย่างหลวงตามหาบัวท่านจะปรามซะก่อนอย่านะอย่าทําอย่างนี้นะถ้าขืนทําต่อไปเตี๋ยวไล่นี้จากวัดอย่าทํา อยาให้เห็นอีกอย่างนี้อันนี้คือปลามแต่ถ้าว่าเห็นอีกจริงๆก็จัดการเพราะว่าได้พูดไปแล้วนะจะแดงมาดื้อด้านไม่ยอมฟังใครต้องปราบติ้ต้องไล่เนียจากวัดต้องไล่ออกเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอันนี้คือปลามแต่อันดับแรกคือปลามซะก่อนเนี่ยหลวงพ่ออยากให้ปลามซะก่อนปรามนันคืออะไร ปราลมก็คือถ้าหากว่าตํารวจเจ้าหน้าทีนะ่ไปเห็นลูกหลานเยี่ยวปัสสาวะเป็นสีม่วงอย่างนี้ยแล้วก็ปราลมซะก่อนยานะลูกหลานนายาทำนะชื่อว่ายังไงเนยนามสกุลอย่างไงเนี่ยพ่อแม่อทะเบียนบ้านว่าอย่างไงเนี่ยอยู่บ้านไหนเนะี่ยอบอกให้เรียบร้อยจดไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งเอานี่ส่งไปให้พ่อให้แม่นะ เ, ออเดี๋ยวทางอำเภอไปถามยังยังไม่ถึงก็ไม่ได้นะเนี่ยบ้านอยู่ที่ใช่ไหมบัตรนักเรียนเนี่ยเรีอกว่าเป็นคนหน่มเนี่ยอย่าทําอีกนะถ้าคือทําอีกคราวหน้าเน่ยโทษสองเท่านะอันนี้ภากทันไว้ก่อนอย่าทําขืนทํามันผิดกฎหมายเข้าใจไหมลูกหลานนะนี่แหละอันนี้ก็คือถ้าปรามไว้ก่อนอย่างนี้ถ้า ลูกหลานผู้มีอุปนิสัยนิสัยอ่อนน้อมอยู่แล้วเป็นคนดีอยู่แล้วเนะี่ยเขาไม่ได้ถล่มผิดบางทีก็ไปลองๆอ ง, องกินกับหมูเสพกับหมูจากนั้นเขาก็จะได้เข็ดขยัดจะไม่ทําอีกแต่ถ้าว่าเราปราบเสเลยเนะทำมากระจับเลยหรือทําเลยเนะี่ต่อไปอาจจะเป็นการประชดสังคมขึ้นมาก็ได้แตนะ่เนี่ยข้าไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ทําไมบ้านเมืองจึงไม่ให้อภัยข้านะอย่างนี้ อาจจะประชดสังคมไปเลยก็เลยทั้งพ่อแม่ก็ขนาดลูกเนี่ยเสพน้อยๆกินน้อยๆพ่อแม่ก็ยังไม่รู้หรือว่าลูกประปายกับพ่อแม่ก็ใจหายใจความอยู่แล้วแต่พอมันลูกมันโดนจับไหมใส่โทษอย่างนี้พ่อแม่จะเสียใจขนาดไหนเสียใจทั้งพ่อแม่ด้วยเสียใจทั้งลูกด้วยทั้งวงสกุลด้วยหมดอนาคตของเด็กด้วย มันเสียหลายๆอย่างถ้าปราบถ้าปรามในหลวงพ่อว่าท่านเด็กมีอุปนิสัยหรือว่าพ่อแม่ยังเข้มงวดขวดขันกับลูกตนเองอย่าเข้าข้างลูกตนเองจนเกินไปเป็นยังไงลูกทําไมยังทําอย่างนั้นทําอย่างนั้นขายหน้าพ่อแม่นะลูกนะเสียหน้าสกุล น, นะลูกนะคือพ่อแม่ก็พยายามบอกกล่าวลูกคนตนเองให้เป็นคนดีต่อไป ชุมชนของเราก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะพึ่งพาอาศัยกันมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันท้งฝ่ายบ้านเมืองก็มีน้ําใจท้งฝ่ายประชาชนก็ให้ความร่วมมือต่อไปอยู่ด้วยกันมากก็มีแต่ความสงบแต่ถ้าหาว่ามีแต่ใช้เลี่ยเรียมีแต่ใช้ความแข็งกร้าวหรือใช้แต่ทิฐิมานะใส่กัน คนหนึ่งก็มีทิฏฐิอย่างหนึ่งความเห็นอย่างหนึ่งมานะคือความแข็งกระด้างอย่างหนึ่งใส่กันหลวงพ่อว่าความสงบรล่มเย็นผาสุกในชุมชนก็จะค่อยทวีความรุนแรงหรือร้อนระอุขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามีแต่ใช้อารมณ์ต่อกันแต่ใช้ความอ่อนน้อมเลวดความศีลธรรมต่อกันก่อนคือปรามซะก่อนยังค่อยปราบเมื่อภายหลังถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นหลวงพ่อว่า ใครๆก็ยอมรับเพราะเหตุไรเพราะมันไม่ฟังจะทำยังไงปรามแล้วยังไม่ฟังก็ต้องปราบใครๆก็ต้องยอมรับเพราะเหตุไรเพราะจะเป็นพิษภัยต่อสังคมต่อชุมชนต่อกลุ่มของเรามันก็ต้องปราบะต้องจับคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีแล้วจะเอาไว้ทําไมถ้าเอาขืนเอาไว้ก็เป็นพิษเป็นภัยก็ต้องเอาไปขังไว้คนไม่ดีต้องเอาไปขังไว้กลุ่มนึงเอา ข, างขังคอกไว้คืออย่งหมาที่มันดุนะ่ะ ไอ้หมาที่มันดุองจะไปปล่อยไว้ได้ยังไงมันไปนกัดคนเราก็ต้องไปขังไว้ในคอกหรือใส่โซ่ไว้เส้นใหญ่ๆมัดไม่ให้มันขาดมาได้เพราะมันดุอันนี้ก็เหมือนกันนะคนที่ดุร้ายคนที่ไม่ดีคนที่เป็นพิษเป็นภยัยมันก็ต้องเอาไปขังไว้เหมือนกับขังหมาขังสัตว์ไว้นั่นใส่โซ่เอาไว้มัดไว้ให้ดีเพื่อมาให้มันเพ่นพ่านออกมาทาร้ายทาลายชุมชนสังคมได้ แหละสัตว์ไม่ดีก็อย่างนั้ น, น เ, เ, นะเหมือนกันสัตว์เกเลสัตว์ที่ดูร้ายผลที่ดูร้ายเหมือนกันกับอย่างนั้นเพราะนั้นเราทุกคนได้รับการศึกษารู้จักได้รับจิตและธรรมอันไหนควรอันไหนไม่ควรอันไหนถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องอันไหนเป็นธรรมอันไหนไม่เป็นธรรมเราได้รับการศึกษาดีแล้วนะแล้วก็เลือกเฟ้นจะไดอ ผู้มีปัญญาต้องเลือกเฟ้นว่าข้าพรเจ้าเกิดมาทั้งทีชีวิตสิ่งนี้ที่มันช่วยชาติเสียหายข้าจะไม่ทําสิ่งนั้นข้าจะทําสิ่งที่ชุมชนสังคมตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าทําได้อย่างนั้นเลิศประเสริฐดีอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ใดมีแต่ละ ง, งหงองแหง อวดจกของว่ามีศักดิ์ศรีว่าเป็นใหญ่มีฐานตะตระกูลสูงอย่างนี้ไปอยู่นักศึนานที่แดิมก็ขวางเขาทางนั้น อ, อย่างที่ในชาดกในพระพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้ว่าพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมมคันแต่บางคนบางท่านก็ไม่เคยได้ยินแต่บางที่กับคนหนึ่งมองไปศึกษาในมุมหนึง ก็นำมาพูดให้แก่หมู่พวกเพื่อนฟังอย่างหนูพ่อได้ไปศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกตรวงพ่อก็เอออันให้เิดเป็นแนวความคิดในครั้งพุท ธ, ธาการคือมีพระภิกษุองค์หนึ่งใน ห, หัวดือ้อไม่ยอมเชื่อฟังใครและโกหกอีกต่างหาก เ, ออเป็นคนที่มักใหญ่ไฟสูงอีกต่างหากพระพุทธองค์เห็นว่านี้ในิสัยพระองค์นี้เนะี่ยมันเคยเปิดอุปนิสยัยติดพพติดชาติมาในอดีต ถ้าสงฆ์ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่ามันสมัยไหนพระเจ้าข่าพระองค์นี้ที่ว่าหัวืึงหัวล้านไม่ยอมฟังใครนะ่พระองค์พระพุทธเจ้าก็บอกว่าในอดีตชาติคือทิสสะปาโมก ค, คือเป็นอาจารย์ทุกวันก็คงจะเป็นอาจารย์ใหญ่เยกเป็นสถาปันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแต่ว่าทิสสะปาโมกสมัยก่อนเนี่ยเป็นผู้ที่อัจฉริยะ อัจฉริยะแปลว่ารู้เกือบทุกอย่างเป็นผู้เก่งเกือบทุกอย่างคนคนนั้นถ้าใครพูดอะไรผ่านหูในจําได้ทั้งหมดเรียนรู้ทั้งหมดแล้วก็เก่งทั้งหมดเกือบจะว่าอย่างนั้นอัจฉริยะเแปลว่าเป็นทิศพมกอาจารย์แล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งลูกพราหมณ์ก็เข้าไปศึกษาแต่เป็นพราหมณ์ตระกูลสูงอุทิศพราหมณ์แปลว่าเป็นพราหมณ์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเมืองนั้นก็เข้าไปเรียนหนังสือไปเรียนกับทิศ ป, ปะโมกต่อมาที่ิศ ป, ปะโมก่อนไว้เนื้อเชอยใจว่าเป็นตระกูลสูงก็มีบริวารมีลูกน้องอีกห้าร้อยคนจากนั้นก็พาไปหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนกางว่าไงไม่ยอมฟังใครเป็นคนกลางชอบหวดเพราะเป็นลูกพราหมณ์อีกต่างหากคือเมืองอินเดียนะมีวันณะสีนะ ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะวันณะของอินเดียเนี่ยกษัตริย์พรามณ์แพทย์สูตรนะคือวันณะสีกษัตริย์ก็คือปกครองประเทศพราม์คือเจ้าลัทธิวางมาตรการมาตรฐานว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตระกูลสูงนะพราม์แพทย์เนะี่ยคือคนทํางานทําการทํางานทํามาค้าขายสูตรเนี่ยก็คื อ, คอพวกที่ต่ําต้อยพวกที่ทํางานอันไหนที่คนอื่นไม่ทำเนี่ยเขาให้สูตรเนะี่ย คนที่ต่ําต้อยสูดแล้วเขาดูถูกอีกต่างหากเอเวลาจะกินน้ำกินอะไรเจะไปจับขันเขาไม่ได้นะขัดน้ำเขาไม่ได้นะเออผิดแปลว่าเขาดูถูกเป็นคนต่ําต้อยทีนี้พราหลูกพรามณ์คนนี้เนะี่ะพาหมูไปไปเขาไปเห็นไปเห็นคนคนหนึ่งอยู่ต่อหน้าดูแล้วก็มอมแมมเหมันถาม คนนี้เกิเป็นลูกศิษย์ที่สัปปโมกอาจารย์ที่เป็นรูปพรามณ์ไปถามว่าแก่เป็นใครคนนั้นกขาบอกผมเป็นสูตรเอ้ยสูตรอย่าอยู่เหนือลมไปไปอยู่ใต้ลมขานาดอยู่เหนือลมให้ลมพัดมาหาตัวเองเป็นว่าเราเป็นอัปปะมงคลสูตรต้องอยู่ใต้ลมสูตรต้องอยู่ใต้น้ําถ้าอยู่เหนือน้ําก็ไม่ได้ต้องอยู่ใต้น้ํำไมสูตรต้องอยู่ใต้ลมตัวเองคือวิ่งขึ้นไปไปอยู่เหนือลม ไอ้สูตรตัวนั้นมันก็คงจะมีกําลังอแข็งแรงกว่ามันกูวิ่งกันไปถึงเหนือลมอีกมันอยู่ในพื้นโลกนะัจะไปให้อยู่ใต้ลมเหนือลมได้ยังไงมันวิ่งขึ้นไปทางเหนือลมอีกเอาไปมากันทวงมากับลูกพามคนนี้แหละที่เป็นเชื้อพารามเนะี่ยโมโหอคนนั้นก็เลยถามว่าท่านเป็นใครสูตรก็ถามคืนเนี่ยท่านเป็นใครเจ้าเป็นใคร พรามก็บอกเราเป็นพรามนะเอาถ้าถึงจะเป็นพรามก็เถอะเราจะขอถามปัญหาถ้าตอบได้เราจึงจะเคารพแต่ถึงจะเป็นพรามก็เถอะพรามแบบโง่ๆเเราจะไม่เคารพเหมือนกันสูตรก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันะสูตรตั้งคนจะสูตรหัวหมอเหมือนกันนะตระกูลต่ตําถึงหัวหมอทางพราม อ, าามมาอ้าถามมาเลยจะถามอะไรเราตอบได้ทั้งนั้น่ะเราเจียนจบมาแล้วอ แต่พราหมณ์เนี่ก็ลืมคิดว่าในโลกนั้นมันมีวิชาถึงเยอะแยะที่ตัวเองไม่รู้ใช่มละ่ะจะรู้ได้หมดทุกอย่างได้อย่างไรวิชาในโลกนี้มีต่างมากมันก็แสดงออกความไม่รอบครอบเกิดขึ้นแล้วเลยสูตรก็ถามว่าคาว่าทิศเออทิศเนี่ยคำอะไรชื่อว่าทิบอกให้ฟังหน่อยสิมันมีกี่อย่างคำว่าถิทาง พรามุ่ลูกของพราหมณ์ที่เป็นหัวหน้าหมู่ทั้งห้าร้อยคนที่พาลูกน้องเดินไปเนี่ยคกาวทิศจะไปยากอะไรกระทิศมีอยู่สีทิศเท่านั้นแหละตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นี่แหละทิศทางสูตรคนนั้นก็บอกว่าข้าไม่ได้ถามทิศอย่างนี้ถามทิศอีกอย่างอื่นตอบไปเสียว่ามีกี่ทิศทาง ลูกน้องเอ๊ะที่เป็นอาจารย์และที่เป็นลูกศิษย์ของที่สัพพหม ท, ที่เป็นพราหมณเนี่ยก็ลูกพรามเนี่ยว่ามันก็มีเท่านี้แหละที่จะมีอะไรอีกผลในสุดสูตรคนนั้นก็คงจะแข็งแรงกว่านะะกระโดดไปจับคอมาหนีบไว้ที่หว่างขาพอเสร็จแล้วไปแสดงมาตอบไม่ถูกเนี่ยตอบอย่างนี้ตอบมีเรื่องเดียวตอนนี้ไปเี่ยพอวา่าแต่นนั่นก็เลยสูตรก็ไปทางสูตรเอ พรามก็ไปทางพรามกับบริวารแต่โมโหอยู่ในใจตอนี้พวกลูกน้องที่บริวารที่ไปด้วยทั้งห้าร้อยก็มาพูดให้อาจารย์ฟังบอกว่าอาจารย์ผู้ไปวันนี้ไปเจอกับสูตรสูตรก็ดูถูกอย่างแรงเนะ่ยเพราะว่าเนี่ยลูกพีของเราไปตอบปัญหาของเขาเนี่ยตอบไม่ถูกเขาก็เลยบอกว่าอาทิตย์มีกี่ทิตมีอยู่สีทิตแ์เน่ไม่จริงมันมีกี่ทิตเนี่ยเขาให้อธิบายให้ฟังกับตอบได้ทต่สี่อทิตน่ย เขาก็เลยว่าเขาไม่เด็ถามทิศทั้งสีเขาถามทิศอย่างอื่นเขาก็เลยจับคอมันิที่หวัวเขาของเขาจากนั้นเขาเข้าไปอาจารย์ก็เลยเรียกลูกศิษย์ของตัวเองมาถามติสประโมกอาจารย์ถามว่าเป็นไงไมันมีเรื่องอะไรกับเขาพอพูดออกมาว่าผมอยากจะเห็นหน้ามันเลยเกินไอ้สูดรนี่มันก็ด่าไปไลเลยท่านีโคตรนั่นโคตรนี้ก็ว่ากันไปไเลยทเอนท่านอาจารย์เ อ, อ้ยอย่าไปพูดให้เขา เขาเป็นบัณฑิตนั่นน่ะที่เขาถามคําวัตทิศคํานี้มันมีหลายทิศนะทิศที่จะออกจากโลกวัตะสงสารก็คือพระนิพพานอันนั้นคือทิศสูงสุดอาจารย์อธิบายเลยพราเธอยังไม่รู้เธอจะไปรู้ทุกอย่างได้อย่างไรวิชาในโลกนี้มีต่างเยอะแยะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเรียนรู้อันนี้เราจะไปพูดอย่างนัได้ยังไงที่เขาถามนั่นก็คือทิศทิศเบื้องหน้า คือมารดาบิดาคือพ่อแม่ถ้าจะเปรียบเทียบก็บคือทิศพระอาทิตย์เราเกิดมาที่แรกก็เห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนถ้าลืมตาขึ้นมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ก่อนอั่นแหละทิศเบื้องหน้าถ้าจะเปรียบเทียบกับพระอาทิตย์ก็เราตื่นขึ้นมาเราก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นโผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าเนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์ก่อนวันหนึ่งตอนเช้าเราเห็นพระอาทิตย์นั่นแหละทิศเบื้องหน้าแล้วก็ทิศเบื้องขวาอาจารย์ คนที่ได้ดีๆต้องอาจารย์ต้องอาจารย์เป็นผู้แนะนําสั่งสอนทิศเบื้องหลังสามีภรรยาต้องเป็นผู้เข้าใจกันต้องรักเมตตากันจึงจะพาสุขได้ถ้าสามีภรรยาคู่ใดปีนเกลียวกันไม่รู้จักสูงไม่รู้จกัจกต่ําออกนอกลู่นอกทางอย่าหวังเลยครอบครัวนะั้นจะมีความสุขนี่แหละทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย คนเราต้องมีมิสหายต้องมีกัลายาณมิตรที่ดีในรัช ฐ, ฐานที่ใดต้องปรึกษาปารกันอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรก็ต้องมีมิตรมีสหายเป็นที่ปรึกษากันที่ธรรมาค้าขายก็เถอะก็ต้องมีมิตรมีสหายรับเป็นช่วงช่วงท่ายทอดเป็นช่วงช่วงอันนี้ว่ากัญญาณมิตรทิศเบื้องต่ําคือคนใช้คนงานอันนี้ก็จําเป็นถ้าไม่มีคนใช้คนงานที่ซื่อสัตย์ุดเจริญแล้ว อย่าวังเลยตระกูลนั้นครอบครัวนั้นบริษัททางล้านจะร่มเย็นเป็นจุกจะไปได้ดีท่านลูกน้องไม่ดีนี่แหละบริวารคิดเบื้องต่ําก็จําเป็นทิศเบือเเบ้องสูงสมณพราหมณ์กับผู้แนะนําสั่งสอนคุณงามความดีให้แก่ศิษย์ทั้งหลายอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรควรจะคิดอย่างนี้ควรจะทําอย่างนี้ควรจะพูดอย่างนี้อันนี้คือสมณพราหมณ์เป็นผู้ชี้หนทางในทางที่ถูกต้อง อันนี้ไม่ใช่ว่าจะมีทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ต่อนั้นอันนี้เขาถามทิศอย่างนี้แต่ถ้าว่าทิศที่จะให้จูตรงมรรคผลนิพานก็คือทิศพายในพานถ้าทิศพายในพานนั้นต้องทําใจให้มั่นคงทําใจให้แน่วแน่อย่าทําใจให้บกแว๊กคอนแคลนวันไหวไกวยแกลงถ้าว่าจิตวันไหวไกวยแกลงจะเดินมรรคไปถึงภายในพานไม่ได้ ทางพระนิพาณเป็นทางที่เที่ยงตรงที่นิ่งที่สุดเหมือนกับเราอุ้มบาตรเต็มด้วยน้ํามันงาเราประคองบาตรแล้วไม่ให้มันหกมันเต็มแล้วพยายามเดินยังไงจรึงน้ํามันงานจึงไม่หกจากบาตรได้ออกจากขันได้นั่นแหละผู้ที่จะเดินสู่มรรคผลนิพานต้องนิ่งถึงขนาดนั้นเข้าใจไหมนี่ทิศสัพพโมกอาจารย์สอนลูกศิษย์เพราะนั้น ท่านอย่าไปทนงตัวว่าเรารู้หมดทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เนีสิ่งที่ไม่รู้มีตั้งเยอะแยะไปเพราะนั้นอย่าไปทนงตัวอย่าไปอวดตัวอย่าไปไประยองพองตัวว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดต้องเป็นผู้รับรู้เรียนรู้ต้องศึกษาไว้อยู่เสมอถ้าใครพูดขึ้นมาเราต้องใช้ปัญญากันกรองไตรตรองเหตุและผลนั้นๆมันจึงจะถูกไม่ใช่ว่าว่าตัวเองไปข่มเขาทั้งหมดไม่ได้ เพราะโลกนีมันมีต่างเยอะแยะคนที่รู้กว่าเราก็มีวิชาในโลกมีมากมายอาจารย์ไปเป็นผู้แนะนำสั่งสอนนี่แหละพระพุทธองค์มาว่านีพระองค์นี้เนี่ยเคยเป็นลูกของพราหมณ์นะเป็นพราหมณ์นิสัสยเฉยงพองตัวมักใหญ่ไฟสูงไม่ยอมเชื่อฟังใครมันมีติดพบติดชาติมาเนะี่ย อันนี้คือนิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้ท่านสอนให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ใฝ่ในการศึกษาอย่าไปพยองพองตัวอย่าไปอวดดีอย่าไปอวดว่าตัวเองบุญหนักจักใหญ่ข่มขู่ผู้อื่นต้องฟังเอาไว้อันนี้คือใครเพราะเรายังไม่ได้พบได้เจอกันต้องฟังถ้าฟังรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วเออมีอะไรยังค่อยว่ากันทีหลังไม่ใช่ว่าปุบ ป, ปับเราจะไปขวางไปคู ไปข่มไปอวดเขาเลยโดยที่ไม่รู้บางทีมันข่มไปมันถูกหนามอย่างที่ว่านะไม่ได้อันตรายเหมือนกันนะนี่แหละในเรื่องนี้ก็ให้เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทหรือว่าพระภิกษุหมู่พวกเพื่อนลูกหลานทุกองอยู่นักฐานที่ใดให้สารวมให้ระวงังให้เป็นผู้มีศีลแล้วก็ให้มีมารยาทที่ดี นี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นก่วับเรื่องยาเสพติดเนะี่ยไอ้เขาบอกปราบซะก่อนค่อยปราบดีถ้าจะปราบเฉลยมันเสียความรู้สึกเสียชุมชนเสียสังคมเสียความรู้สึกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปก็มันจะเสียหายขึ้นมาเรื่อยๆมีการต่อต้านขึ้นมาเรื่อยๆเป็นพิษภัยขึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมีแต่ความ เมตตากรุณามุทิตานะทั้งสามอย่างเนี่ยอยู่ในหัวใจด้วยอยู่ในจิตใจของชุมชนของพวกเราแล้วพวกเราจะได้รับแต่ความสงบพาสุขนะ่ะแต่คําว่าอุเปกขาเนะี่ยแต่เมตตาในธรรมคมภิหารสี่นะ่ว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขานะคําว่าอุเปกขาคํานี้เนะี่ยคือใช้ ในเมื่อสุดวิสัยเมื่อคนเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายช่วยยังไงก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยจริงๆมันก็ต้องวางอุปเเกขาเราจะไปทุกข์กับคนไม่ให้ตายเฉยก็ไม่ได้ก็ต้องวางอุปเเกขาในเรื่องต่างๆเึ่งทั้งหลายทั้ ง, ง, ง, งปวงถ้ามันสุดวิสัยแล้วจะทํำยังไงได้เราก็ต้องทําใจเราต้องอุปเเกกขานี่แหละ ถ้าเราไม่มีอุเบกขาจะเปร้องห h o ร้องไห้ทั้งวีทั้งวันเพ้อเพ้อตัวเองตายอีกต่างหากมันก็ไม่ถูกเรื่องอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าจังหวะมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขานะอุเบกขานะเป็นธรรมที่สูงสุดทําใจปล่อยวางดูใจของตนเองทีนี้อย่าดีใจในสิ่งที่เราต้องการที่ปรารถนาอย่าเสียใจในสิ่งที่ตัวเองไม่พึงปรารถนาต้องทําใจดูใจของตนเอง ไม่ดีใจไม่เสียใจนั่นแหละถ้าใจเป็นกลางได้อยู่ณนะสถานที่ใดสถานะไหนไมีแต่ความรงมเย็นเป็นสุขในหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้านะอืมวันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระนะวันพระขึ้นแปดค่าเดือนเจ็ดเป็นวันปฏิบัติธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ถ้าเป็นไปได้ก็ควรสมาทานศีลอย่างน้อยก็ศีลหนะ้าละเออวันนี้เป็นวันพระเนอะข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจะไม่บีมดไม่ข่ายงุงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกอย่างชีวิตเขาชีวิตเราเราจะช้ำรวมระวังวันนี้ถึงจะเห็นตัวมดเราก็จะไม่เหยียบมดเออพอเราจะเว้นได้เราจะเว้นนะเราจะไม่มีเจตนาเลยรละวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์ทุกอย่างนะ อทินนาทานก็เหมือนกันเราก็ไม่ทําอยู่แล้วกาเมสมิตรชาจานให้เคารพสิทก็ไม่มีอยู่แล้วมุสาเอ่มุสาเ น, นี่ยรวยมากมันเป็นหญ้าปากคลอกนะบางทีมันเอาตัวรอดบางทีก็โกหกไปแต่ไม่ถึงกับเสียหายหรอกแต่มันก็เป็นนิสัยนะถ้ากวันรักษาศีลหนะ้าเนี่ยอย่าทําดีกว่านะมันเสี่ยงเหลือเกินต่อไปมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆโกหกเลยนะแต่สุราเนี่ยก็เราก็ควรจะงดะวันนี่ ที่วันรักษาศีลของพวกเราเรื่องศีลห้าเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงเป็นคนดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจา้าอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจา้าต้องเป็นผู้มีศีลท่าวันพระทุกวันถึงสงพอจะไม่ได้พูดก็ตามถึงจะไม่ได้รักษาศีลก็ตามให้พวกเราสมาทานเลยในวันพระเนี่ยทุกครั้ง เออถึงวันพระแล้วเหรอข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าละ ว, วันนี่ศีล5ประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ข, มขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการมไม่โกหกไม่ดื่มสุราไม่ดื่มของมึนเมาละ ว, วันนี่ในใจต้องคิดไว้อย่างนั้นทุกครั้งเนี่ยเป็นศีนลละต่อมาต่อไปต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ลำเลึกถึงศีลของเราลำเลึกถึงศีลถึงธรรมของเราในใจ ใจิตใจของเราจะมั่นคงนะใจิตใจของเราจะเที่ยงตรงใจิตใจของเราจะมีความสุขนี่แหละคือวันพระวันศีลและก็พร้อมกันเมื่อวานในหลวงพ่อก็ให้ทางฝ่ายในครัวทั้งชีป้อมเป็นหัวหน้าไปประเดิมแลยนะประเดิมสำนักชีบ้านนายูงแล้วละ่ะถ้าผู้ใดญาติยโยมผู้ใดฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายผู้หญิ ง, งวันพระรักษาศีลแล้วจะไปนอนภาวนาอยู่ที่นู่นก็ได้ เป็นสถานที่ภาวนาฝ่ายอุบาสิกาหรือภาวนาที่นี่กันภาวนาที่นู่นก็ได้หลวงพ่อให้ฝ่ายอุบาสิกาไปอยู่ทางนู้นเป็นการทดลองทดสอบดูแต่หลวงพ่อก็ไปดูเมื่อวานนไปชี้จุดสถานที่ว่าจะควรจะสร้างที่ไหนกุฏิแต่ท้งนี้ทางนั้นหลวงพ่อก็ยังคิดอยู่ว่าเออในพรรษานี่ยจะออกพรรษาซะก่อนยังค่อยสร้างกุฏิถ้าว่าทําในพรรษาเนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่า เรื่องถนนทนทางเข้าไปเพราะมันฝนตกจะทำให้เปื่อนเปิดเลอะเทอะทำไม่ดีเท่าที่ควรออกพรรษาแล้วจะทำจะดีหรือก็ยังคิดอยู่เหมือนกันนะั่นแหละเรื่องกุฏิวัดใหม่แต่เขามีผู้มีศรัทธาที่จะสร้างกุฏิขึ้นมาสำหรับปฏิบัติธรรมฝ่ายอุบาสิกาฝ่ายโยมผู้หญิงนะเหมือนกับสำนักมิชีแก้วนะั่นะนะเป็นฝ่ายอุบาสิกาเขาอยู่ด้วยกัน 10- 20คน วัดป่าบ้านห้วยทรายมาวัดหลวงปู่จามเป็นประจำะมาจังหันเอาอาหารอะไรกัจากนั้นก็ไปฝึกปฏิบัติธรรมอยู่ที่สำนักชีบ้านห้วยทรายแต่ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเนี่ยเป็นตระกูลชีนะ <c oughs> เป็นตระกูลชีเออตั้งแต่ก่อนเกิดคุณแม่ชีแก้วกทํานายไว้แล้วเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยคุณย่าก็เป็นชีโยมอาก็เป็นชีพี่น้องก็เคยบวชเป็นชี จำนักศีว น, นุยทายนี่ยแหละหลวงพ่อเนี่ยมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อปฏิเสธว่าเออไม่รับชีตีแหลกนะพอสมัยเป็นพระน้อยพระหนุ่มอยู่กับหลวงพ่อกับปฏิเสธเอ้ยไม่รับชีแต่พอมาถึงเท่าแก่มาแล้วหลวงพ่อก็เออเราก็เป็นตระกูลชีเหมือนกันนาะพอว่าทาัา้ทงยาทั้งอาทั้งคุณแม่ชีแก้วจะเป็นอิรักเคารพของหลวงพ่อก็เป็นตระกูลของหลวงพ่อเหมือนกัน ถ้าจะเป็นชีก็เอาให้ไปอยู่นั่นจะให้เป็นเอกเทศให้เป็นสถานที่ภาวนาเนอะให้ตั้งใจภาวนาจริงๆริเราเสียสละจริงๆเราตัดออกมาจากทางโลกแล้วอย่าไปมุ่งหวังทางโลกอย่าเป็นชีเข้าไปแล้วก็ไปแผ่ไปขอไปตากข้าวแห้งขายแห้งไปทํามาค้าขายอันนั้นไม่ถูกเราออกมาแล้วมีแ ต, ต่ตั้งอกตั้งใจภาวนาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ถ้าขาดเหลือขาดตกอะไรนี่หวงพ่อมีอยู่มีอะไรขาดผ้าไม่มีเอาอาหารไม่มีข้าวไม่มีเอาก็มีอยู่แล้วพวกเราก็มีตั้งอกตั้งใจภาวนาเท่านั้นเองจะมีอะไรยังไงจริงจะพ้นภพในวัฏฏะสงสารอย่างคุณแม่ชีแก้วนะท่านทั้งอกตั้งใจภาวนาจนท่านชำระใจของท่านได้เป็นพ ร, รนะรหันต์หลวงตามหาบัวยอมรับเนะี่ยแม่ชีแก้วเนะี่ยเป็นพระรหันต์นะ อจากนั้นพอท่านมรณาภาพไม่ไนดน้กระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุเป็นเม็ดแก้วขึ้นมาใสๆขึ้นมาเราก็ได้เห็นเออกระดูกของคุณแม่เนี่ยเป็นพระหันอย่างที่ลงตาได้พูดจริงๆเป็นเม็ดกลมเป็นเม็ดแก้วจริงๆคนระับนี่แหละอันนี้ก็คือถามฤษีประวัติของคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ยุ่งเยิงอะไรไม่ได้หาแผลหาขอไม่ได้เจาะแสวงหาทรัพย์ภายนอกเอ่ ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาเพราะนั้นอยากจะให้อุบาสิกาญาติโยมของหลวงพ่อทั้งหลายทั้งปวงนะเนออี่ยถ้าหากว่าช่วงไหนมันว่างๆเออมาภาวนาออมารักษาศีล อ, อขาวดําวันสองวันสองสามวันนะตั้งอกตั้งใจมาภาวนาแต่พ อ, อ, อสําคัญอย่าไปหาทะเลาะกับพ่อบ้านแล้วมาภาวนาในวัดตรงนั้นไม่ได้นะภาวนาก็ไม่เป็นไปหรอกถ้าไปทะเลาะกันจะก่อนยังมาภาวนา ถ้าพอบานเออมารักษาศีลมาภาวนาอยู่ในวัดวันสองสาวันแม่บ้านก็เหมือนกันเออไปภาวนากับพวกชีต่างอกต่างใจภาวนาสองสามวันวันสองวันอย่างนั้นทวนแล้วจะเป็นสิริเป็นมงคลทั้งนั้นนะถ้าเราทําคุณงามความดีเพื่อหาทางพ้นทุกข์นะแต่ถ้าว่าเราไม่ทำเฉลยมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันอยู่ในโลกวัตะสงสารนี่มันรู้จะอยู่นานเท่าไหร่ ผลที่จุวก็เท่าแก่ชะลาไปเรื่อยๆผลนี้จุวก็ถึงจุดจบของใครของเราเราไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจอันนั้น น, ะน่าคิดนะถ้าเรามีหลักที่พึ่งทางด้านจิตใจคือระลึกถึงใจของตอนเองเมื่อไหร่จะมีแต่ความผ่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละเลิศประเสริฐ น, ะนะต่อนนไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พร